แถวนี้ผีดุบ้านยายหลังเก่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีเรื่องเล่าจากคุณรัฐที่ส่งมาในอินบ็อกซ์ของแฟนเพจเ c e บ o o k เรื่องราวจะสยองแค่ไหนมารับฟังกันครับสวัสดีเราชื่อรัฐเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วตั้งแต่รัฐยังเด็กแต่รัฐก็ยังจาเรื่องได้จนถึงทุกวันนี้ และยังไม่มีวันลืมความสยองในคืนนั้นได้เลยรัตเติบโตมากับบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้สองชั้นใต้ถุนสูงแบ่งโซนชัดเจนระหว่างตัวบ้านกับครัวบ้านหลังนี้มีสมาชิกทั้งหมด5คนมีตายายแม่รัตรัตและน้องสาวรัตจะรักและสนิทกับยายมากเพราะว่ายายเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กแม่จะรับจ้างทางานหาเงินมาเลี้ยงรัด ก, กับน้องเลยไม่ค่อยมีเวลาให้เราสองคนพี่น้องเท่าไหร่นัก อะไรๆก็จะยายยายตลอดมีแต่เรียกหายายอยู่กับยายจนรัฐอายุได้15ปีแม่ก็แยกออกมาปลูกบ้านอยู่เองยายมักจะเล่าที่มาของที่ดินผืนนี้ให้ฟังเสมอๆว่าก่อนหน้าที่ยายจะมาอยู่ในอดีตเคยเป็นที่ดินคนจีนเก่าเคยมีแม่น้ำไหลผ่านและเป็นที่ค้าขายของคนจีนสมัยก่อนเราต้องขอร บ, บูชาเจ้าที่เจ้าทานเพื่อให้เราอยู่ได้และทมาหากินได้ตามความเชื่อของคนสมัยนั้น คืนนั้นมีงานศพญาติตาไปคร้างที่วัดที่จัดงานส่วนแม่กับน้องก็ไปบ้านป้าที่หมู่บ้านข้างๆช่วยงานแต่งวันนั้นอยู่กันสองคนกับยายแต่รัฐไปเล่นบ้านนาะกลับมาก็มืดแล้วไม่เจอใครกินข้าวเสร็จก็เข้านอนเพราะว่ายายไม่ค่อยกินมือเย็นแกนั่งพอเสืออยู่ใต้ถุนบ้านรัฐหลับไปได้สักพักในสภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่นได้ยินเสียงดนตรีแว่วๆมาจากทางหลังบ้านในใจคิดว่าเอ๊ะ แถวบ้านเรามีงานอะไรหรือเปล่าไม่เห็นยายบอกเสียงดนตรีเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆมีเสียงหัวเราะ ด, ดังข้างๆหูเป็นเสียงผู้หญิงพูดว่าฮ่กูจะอัมมึงกูจะอัมมึงแล้วเหมือนมีเงาตะคุ่มตะคุ่มขึ้นมานั่งอยู่บนตัวรัตรัตไม่สามารถลืมตาเต็มเต็มได้รู้สึกหนักๆตรงหน้าอกอึดอัดหายใจไม่สะดวกในใจคิดเฮ้ยนี่มันอะไรกันเกิดมาไม่เคยเจอตะโกนเรียกยายไม่มีเสียงออกจากปาก อะไรกันเนี่ยแม่เป็นไหนน้องไปไหนทํำไมถึงมืดไปหมดเสียงหัวเราะยังคงอยู่ทําไงดีรัดร้องไห้น้ําตาไหลท่าพยายามดิ้นสุดแรงเกิดก็ไม่สามารถดิ้นหลุดออกมาได้ทั้งเหนื่อยทั้งกลัวเนี่ยเหรอที่เขาเรียกว่าผีอั้มยายจ๋าช่วยรัดด้วยแล้วเงานั้นก็หายไปรัดลืมตาตื่นขึ้นมาพร้อมกับร่างที่เปียกโชกไปด้วยเหงื่อนี่มันเกิดอะไรขึ้นเกิดมาเพิ่งเคยเจอ มองซ้ายมองขวาลุกขึ้นมานั่งแล้วมองออกไปนอกมุง้งไม่เห็นใครเลยมองหาที่มาของเสียงมองไปที่ครัวเห็นเงาของยายอยู่ในครัวยายตื่นแล้วเหรอยายยายรัดครัวไม่มีเสียงตอบจากยายรัดลุกขึ้นแล้วออกจากมุ้งไปหายายในครัวมันมืดมากเพราะคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดปกติจะใช้ไฟฉายที่แม่ซื้อมาไว้ให้เผื่อเวลาเข้าห้องน้ํากลางดึกแต่ไม่ทันได้หยิบจับอะไรก็เดินไปในครัวหายายแต่ไม่เจอ รัดได้แต่ร้องเรียกหายายอยู่แบบนั้นแต่พอรัดมองผ่านหน้าต่างออกไปก็เห็นเงาของยายเดินไปที่หลังบ้านยายยายยายจะไปไหนรัดเรียกยายพร้อมรีบวิ่งลงบันไดไปวิ่งฝ่าความมืดเพื่อไปหายายยายไปไหนอะหลังบ้านไม่มีอะไรหรือว่าจะไปหาไม้มาทําฟื้นหุงข้าวรัดคิดพร้อมกับเดินตามหายายไปจนทั่วจนถึงบ่อน้ําหลังบ้านเป็นบ่อขนาดกลางลึกพอสมควร บางครั้งหน้าฝนก็เห็นมีดอกบัวแดงสองสากอออกดอกผลิบานยายมักจะมาเก็บผักบุ้งไปผัดให้กินเสมอๆรัฐมองไปรอบๆทั้งมืดทั้งกลัวร้องเรียกหายายไม่หยุดปากพร้อมเดินไปจนถึงปากบอก่อแล้วก็ได้ลื่นล้มลงเพราะดินตรงนั้นมันลาดชันมากตัวเลยล้มลงถลหลงไปเกือบจะถึงน้ำเอามือไปจับขาดูมันจะลุกขึ้นไม่ไหวเพราะขาแพงซะแล้วทันใดนั้นก็มีมือดาๆเป็นเงาลักษณะเป็นเมือก โผล่มาจากน้ําแล้วมือนั้นก็มาจับที่ขาและพยายามลากรัดลงไปในบ่อรัดพยายามตะเกียกตะกายที่จะหนีจากมือนั้นหลุดออกมาได้เพียงระยะสอกคราวนี้ทั้งมือและแขนออกจากบ่อมาจับขารัดไว้เต็มๆแต่ที่ทําให้รัดแทบจะเป็นลมคือใบหน้าของผู้หญิงที่โผล่้นขึ้นมาจากบ่อน้ําผมเปรียบทั้งตัวลักษณะเป็นเมื่อเมื่อสีดําค้ําคล้ำๆเหมือนโครนที่อยู่บนตัวยิ่งมือที่มาจับที่ขาของรัด ยิ่งทำให้ใบหน้าของผู้หญิงใกล้รัดเข้ามาอีกมากพร้อมกับรอยยิ้มสแย่ที่ชวนให้อยากจะหายไปจากตรงนั้นไหนจะสัมผัสที่เย็นเยือกชวนขนลุกเหมือนขาที่เจ็บเราะแผลกลายเป็นชาไปทั้งขาขนลุกทั้งตัวนี่มันตัวอะไรเรียวแดงที่จะพยายามหนีถ้าจะหมดมือและแขนพร้อมใบหน้าที่มีรอยยิ้มแปลกๆนั้นลากขารัดและดึงลงไปจนขาไปอยู่ในน้ําวันนั้นน้ําเย็นมากรัดเอาแรงพึ้ที่มีอยู่ทั้งหมดดึงขาขึ้นมาจากน้ํา จนแล้วจนรอดก็ดึงไม่หลุดไม่นานก็ได้ยินเสียงเรียกจากในครัวและมีแสงสว่างส่องมาหาที่รัฐใครไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ยยายยายจา๋าช่วยรัตด้วยรัตตะโกนสุดเสียงแล้วมือดำๆนั้นก็พลันหายไปพอหลุดได้รัตรีวิ่งสุดแรงเกิดโดยลืมไปเลยว่าขาตัวเองแพลงอยู่วิ่งเข้ามาถึงใต้ถุนบ้านยายเดินมาถามว่าไปทาอะไรที่บ่อดึกขนาด น, นี้แล้วไม่กลัวได้ยังไง รัตเดินตามยายไปเห็นยายเดินไปรัตตอบด้วยเสียงที่สั่นคลอนพร้อมอาการหวาดกลัวจากนั้นก็เล่าเรื่องทั้งหมดที่เจอมาให้ยายฟังยายเลยบอกว่าจําได้ไหมว่าทำไมยายไม่ค่อยอยากให้ไปเล่นกใกล้ๆบ่อน้ําทั้งๆ ท, ที่มันก็เป็นเขตบริเวณบ้านเราแต่ยายจะกําชับมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าคขำๆมืดๆอย่าออกนอกบ้านคนเดียวยายเลยตัดสินใจเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้าที่จะมาปลูกบ้านนั้นที่ดินคืนนี้ สมัยนั้นมีคนมาหาปลาหากบแถวนี้บ่อยแต่ละคนก็จะเจออะไรแปลกแปลกแตกต่างกันไปบางคนเจอผู้หญิงผมยาวนั่งหวีผมอยู่ตรงขอบบ่อน้ําบางคนเจอผู้หญิงว่ายน้ําอยู่แต่หางเป็นปลาคิดว่าเป็นนางเงือกก็มีบางคนเจอผู้หญิงนั่งอยู่หลายคนกําลังเล่นดนตรีจีนอยู่แล้วก็มีเสียงพูดเป็นภาษาจีนฟังไม่รู้เรื่องเคยมีคนไปดูหมอหรือคนทรงว่าแถวน้ํามันมีอะไรเขาเล่าต่อตอกันมาว่าเคยเป็นแหล่งค้าขายของคนจีนสมัยก่อน แต่ก่อนมีแม่น้ําไหลผ่านพอดีมีเรือลําหนึ่งมีคณะนางรํานั่ดนตรีอาศัยมาด้วยแต่เรือดังเกิดไฟไหม้แล้วล่มตรงนั้นไม่มีผู้รอดชีวิตทั้งๆที่น้ําก็ไม่เด่ลึกมากและไม่ทราบสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ส่วนที่ตั้งของบ้านเคยเป็นโรงลิป เ, เกเก่ายายก็เคยได้ยินเสียงดนตรีและกลิ่นน้ําหอมบ่อยๆเรื่องนี้มันผ่านมานานมากแล้วซึ่งก็ไม่รู้ว่าตั้งแต่สมัยไหนที่ตรงนั้นเป็นที่ที่ตาได้รับมรดกมาจากแม่ของตาอีกทอดหนึ่ง พอตามีครอบครัวจึงได้มาตั้งรกร้างอยู่ที่นี่จะมีลูกมีหลานและลูกๆ ก, ก็ได้ยกยกย้ายไปสร้างครอบครัวที่อื่นจนหมดเหลือแต่รัดแม่รัดและน้องที่ยังอยู่ตากับยายอยู่มานานแต่ก็ไม่เคยเจออะไรตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ไว้กราบไหว้ตามประเพณีลูกๆในบ้านก็มีเจอบ้างเลยไม่ค่อยอยากอยู่บ้านหลังนี้สภายและเคยหรือคนอื่นที่เคยมาเที่ยวมานอนค้างก็มักจะเจออะไรแปลกๆบ่อยๆจนไม่ค่อยมีใครกล้ามาอยู่ ผ่านมาเกือบ20ปีตากับยายไม่อยู่แล้วพอได้กลับไปบ้านยายทุกครั้งรัฐก็ไม่เคยลืมเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเลยทุกครั้งก็จะนึกถึงบอกมือเย็นเย็นและใบหน้าที่เสียยิ้มที่กําลังลาบลงน้ําตลอดสภาพตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วบ้านยายมีน้าที่เป็นน้องชายแม่มาอยู่น้าไม่มีครอบครัวอยู่คนเดียวหรือบ้านหลังเก่าทิ้งปลูกบ้านหลังใหม่แทนส่วนหลังบ้านน้าก็ปลูกผักขาย พื้นที่ตรงนั้นโล่งไม่รบเหมือนสมัยก่อนพื้นที่ตรงบอ่อนาะที่จ้างคนมาถมจนเป็นผืนเดียวกันเอามะม่วงมาปลูกไว้ใปล้ๆกันนั้นมีสาลเล็กๆตั้งอยู่นาจะสมั่นเอาผลไม้อาหารคาวหวานไปเส้นไหว้เสมอรัฐถามนาตลอดว่าเจออะไรแปลกๆบ้างไหมนาะก็บอกว่าไม่เคยเจอนะถ้าเจอก็ดีจะได้ขอหวยรัฐก็ได้แต่ยิ้มยิ้มไม่ได้เล่าอะไรให้ใครฟังเพราะตั้งแต่คืนนั้นมายายก็กําชับว่าไม่ให้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟัง กลัวว่าคนอื่นถ้ารู้เรื่องแล้วจะไม่กล้ามาอยู่บ้านหลังนี้อีกต่อไปหากคุณชอบเรื่องนี้กรุณากดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับ